อย่าฟุ้งร้านมากไปเราอย่างปรงเวลามีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆก็อย่าทิ้งไปหายใจไปรู้สึกตัวไปก็ยังดีพูดโทรรู้สึกตัวไปก็ดีทำกรรมฐานไว้สักอันนึงเป็นเครื่องอยู่ของจิตงั้นถ้าเรา มีเวลานิดนหน่อยๆแล้วเราก็ทิ้งนั่งฟุ้งซ่านไปไม่ดีพัฒนาช้าภาวนานต้องอดทนทนต่อสิ่งยั่วให้ใจเราฟุ้งซ่านทั้งหลายทนต่อกิเลสทนต่อกันที่จะฝึกตัวเอง ต้องฝึกฝนตัวเองครูบาจารย์ก็ได้แต่บอกวิธีให้พกเราทำน้อยก็ได้ผลน้อยขยันไม่ได้ผลเยอะเป็นความยุติธรรมบางคนเขาภาวนาเขาภาวนา ง, ง่ายๆแล้วก็ได้ผลเร็วด้วย ดัง น, นั้นพกิเลสเขาเบาบางแล้วก็บารมีเขาเยอะกุศลเขาเยอะสะสมมาบางคนภาวนาสบายๆแต่ได้ผลช้าอันนี้กิเลสเบาบางบารมีก็ไม่มากด้วยบางทั้งสองข้างบางคนกิเลสหนา แล้วก็บรารมีก็น้อยพวกนี้ภาวนายากต้องทนมากๆเลยมันรู้ก็ช้าใช้เวลาบางคนภาวนายากแต่ได้ผลเร็วก็มีคือกิเลสก็แรงแกุศลก็แรงดีกับชั่วมันไม่ลบล้างกันนะมันไม่ใช่ชิดข่าเฉลี่ยออกมา บางคนกิเลสมันแรงมากเนงนการภาวนาให้่จะลำบากต้องทนมากมากเลยนั่งสมาธิมากๆเดินจงกรมมากๆหนึ่งบางคนต้องอดนอนอดอาหารกินน้อยๆนอนน้อยๆฝึก บางคนกินเท่าไหร่ก็ได้นอนเท่าไหร่ก็ไดนะ้วันวันไม่เห็นจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเลยไม่พอนาง่ายถ้าเรามีกิเลสแรงนะจะพอนาลำบากถ้ากิเลสเบาบางจะพอนาสบายเป็นสุขาปฏิปทา พวกเราก็มีทั้งสองแบบนะทั้งสี่แบบนะีรวมแล้วบางคนก็ภาวนาําบากมากเลยอย่างอาจารย์อานี่ภาวนาลําบากพื้นของจิตก่อนจะภาวนานะี่โมหามากโมหะเป็นกิเลส ท, ที่สู้ยากที่สุดเลยไปเรียนกับหลวงพ่อตั้งแต่สารารุงชินนะ พ่อเห็นน่งหน้าพ่อจะถามไปกินยาแก้แพ้มาหรือเปล่านะดูมึนซึมแต่ก็อดทนนะสู้เดินจงกลมนั่งสมาธิอะไรองนี<ม>้ทำตลอดกิเลสมันก็กลัวคนจริงเหมือนกันถ้คนไม่จริงมันกลัวกิเลส เขาก็ภาวนากันจนได้คุณแม่ชีชิลเล็กเขาบางพอหนังง่ายๆนั่งถักไหมพรมอะไรยเงี้ยไม่ได้ยากเย็นแสนเข็นอะไรรู้สึกตัวไปบางคนเขาก็ง่ายๆดูสบายๆไปสบายๆ แล้วแต่มันเป็นความยุติธรรมนะถ้าเราสะสมกิเลสไปเยอะเราก็ต้องสู้หนักหน่อยให้กิเลสน้อยมันก็ไม่ต้องสู้รุนแรงถ้าสะสมอินทรีย์แก่กล้าหอเยเะพาะปัญญาแก่กล้าจะได้ผลเร็วเรียกขี ป, ปานาวิญญานรู้เร็วบางคน สะสมบารมีมาน้อยสะสมปัญญาน้อยศรัทธาเยอะอะไรเงี้ยวิริยะเยอะแต่ปัญญาไม่มากรืยังใช้เวลาเยอะยถ้าเดินด้วยศรัทธาด้วยวิริยะอะไรนี้ก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าปัญญาแะ ก, กล้าเดินด้วยปัญญาไปได้เร็ว เดินไงเดินด้วปัญญาสิ่งที่หลวงพ่อพสอนนั่นแหละสอนเจริญปัญญาเป็นหลักเลย mm. ใช้ความสังเกตเนาะสังเกตใจของเราเองก mm. ุศลหรืออกุศลเกิดที่จิตทั้งนั้นไม่เกิดที่อื่นนะ mm. เกิดอยู่ที่จิตที่เดียวที่ม mm. ีสตินะแล้วสังเกตใจิตใจของตัวเองไปด้วย จิตใจเราเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้นะใจิตใจเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยแล้วก็สังเกตดูเราเห็นไตรลักษณ์ไหมถ้าเรารู้ตัวอยู่เฉยๆนะดูจิตอยู่แล้วก็นิ่งอยู่กับจิตนะสงบอยู่นะั่นอันนี้ไม่มีปัญญามีแต่สมาธิไม่มีปัญญาเราต้องสังเกตตัวเองว่า สิ่งที่เราทำอยู่นะั้นมันสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมอย่างท่านสอนว่าขันห้าซึ่งมันรวมทั้งจิตด้วยจิตมันอยู่ในปิญญาณขันขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แต่ถ้าเราภาวนาเรารู้สึกจิตของเราเที่ยงทุกวันในจิตเหมือนเดิม สบายแล้วก็มีแต่ความสุขไม่เห็นทุกข์ตรงไหนเลยแล้วก็เหมือนบังคับไดนะ้เวลาฟุง้งซานอะไรขึ้นมาเนี่ยหายใจชึกเดียวเท่านั้นสงบแนละ้วตรง น, นรู้สึกว่าจิตเป็นของที่อยู่ในอำนาจบังคับหรือบางทีภาวนานะรู้สึกมีความสุขอยู่งั้นเป็นปีเลย ที่จริงก็คือจิตมันทรงสมาธิอยู่มันไม่ได้เดินปัญญาทรงสมาธิเฉยๆอยู่แทนที่มันจะเห็นความจริงของจิตใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันทรงสมาธิอยู่มันจะรู้สึกว่าจิตนี้เที่ยงจิตนี้เป็นสุขจิตนี้บังคับได้นี่ถ้าพวกเราฉลาดมีปัญญาสังเกตตัวเองนะ เอ๊ทำไมพอไม่เที่ยงเราก็เห็นว่าเที่ยงของเป็นทุกข์เราก็เห็นว่าเป็นสุขของบังคับไม่ได้กลับรู้สึกว่าบังคับได้ต้องมีอะไรผิดหลวงพ่อเคยผิดตัวนี้ตานนั้นยังเป็นโยมภาวนาจนครูบาอาจารย์รับรองแล้วว่าภาวนามาได้เยอะแล้วพอ กิเลสมันละเอียดขึ้นไปจิตใจนะั้นมันสว่างว่างกิเลสที่แรงแรงมันไม่มีทำไมกิเลสที่แรงไม่มีเพราะกิเลสเกิดปุ๊บสติสตเกิดปั๊บเลยกิเลสเกิดสติรูนน้ทันทันทีกิเลสดับใจก็อยู่กับความนิ่งนิ่งว่างว่างสว่าง นึกถึงคําของหลวงปู่ดูลท่านพูดถึงจิตพระละหันว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างหลวงปู่สอนไว้อย่างนี้นี่หลวงพ่อมาดูจิตของเราว่างสว่างแต่ไม่บริสุทธิม์มันยังมีกิเลส แผล่ๆ ม, ม, มาให้สังเกตเห็นอยู่แต่ทําไมจิตมันว่างทรงอยู่ได้นานๆเป็นปีเลยดูไม่ออกว่ามันผิดที่ไหนดีว่าเจอหลวงตามหาบัวถามท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทําไมผมรู้สึกว่าเป็นปีแล้วมันไม่พัฒนา ท่านมองหน้าปลาดท่านก็ตอบเลยที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแหละคําว่าดูไม่ถึงจิตนั้นหลวงพ่อที่มาสอนพวกเราเนี่ยคือจิตมันไม่ถึงฐานจิตไปว่างอยู่ข้างนอกจิตไปว่างไปสว่างไปเพลินไปสบายอยู่ข้างนอกนี่ดีว่าหลวงพ่อเป็นคนช่างสังเกตจิตมันควรจะไม่เที่ยงทําไมมันเที่ยง มันควรจะเป็นทุกข์ทำไมมันสุขมันควรจะบังคับไม่ได้ทำไมบังคับได้ต้องมีอะไรผิดนี่ดูไม่ออกดีเจอครูบาอาจารย์ทักถามท่านท่านก็บอกให้เราก็มาสังเกตท่านบอกดูไม่ถึงจิตก็เราก็ดูเห็นจิตทำงานอยู่ตลอดทำไมว่าดูไม่ถึงจิตดูไปดูไปโอ้มันไม่ใช่จิตรอยที่เราดู มันสังขารมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนะจิตคือคนดูจิตคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตอนนี้จิตเราไปอยู่ข้างนอกเมือจิตไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้ดูที่กายไม่ได้ดูที่ใจตัวเองมันก็ไม่เห็นทุกข์ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศเมืนะ่อไหร่ล่ะ ทุกขมันอยู่ที่จิตเนี่ยอยู่ที่กายนี่ยนพอจิตเราไม่ตั้งมัน่นไม่ถึงฐานจิตไปอยู่ข้างนอกในความว่างมันก็ไม่เห็นทุกข์ของควรจะทุกข์ก็ไม่เห็นของไม่เที่ยงก็ไม่เห็นจิตที่ทรงสมาธิอยู่มันอยู่ได้เป็นกลับๆเลยนะพวกเข้าฌานเก่งๆสุดขีะ สงบอยู่ได้ทีหนึ่ง8ปด0มืลนกับคือจักรวาลแตกดับไปทั้ง8ดมืนครั้งนี่อาศัยว่าเราสังเกตว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี่ไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเป็นนิจจังสุขขังอัตตาต้องมีอะไรผิด ทำไมมันไม่เห็นทุกข์จิตมันหนีทุกข์ไปหนีไปอยู่เหมือนไปเว็นพระพรหมนั่นนะสว่างว่างสบายไม่ย้อนมาดูกายไม่ย้อนมาดูใจตัวกายตัวใจตัวรูปตัวนามนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าตัวทุกข์คาว่าทุกข์ มีหลายความหมายนะอยู่กันคนละที่มันก็ความหมายคนละแบบอย่างความทุกข์ที่พวกเรารู้จักเรียกทุกขเวทนาทุกขเวทนาในร่างกายเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามีทุกขเวทนาอยู่ข้าวก็มีทุกขเวทนานะบางทีทุกขเวทนาก็ดับอยู่ข้าวแล้วไปกินข้าวก็แหมมีสุ ข, ขเวทนาขึ้นมา อันนี้ไม่ใช่ทุกที่พระพุทธเจ้าจะให้รู้หรอกอันนี้ตื้นเกินไปอันนี้เรียกว่าทุกขเวทนาอีกทุกหนึ่งเรียกว่าทุกขลักษณะอันนี้จังทุก ข, ขังอนัตตาทุก ข, ขังไม่ได้แปลว่าความรู้สึกทุกข์นะทุก ข, ขังคือสภาพความบีบขันอันนี้จังเนี่ยหมายถึงว่า สิ่งซึ่งเคยมีถึงจุดหนึ่งมันไม่มีทุกขังหมายถึงสิ่งที่กําลังมีเนี่ยกลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีให้หมดไปสิ้นไปอย่างร่างกายของเราที่ว่ามีความสุขเนี่ยเรากําลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปเราใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆ เ, เป็นสภาวะบีบคั้นเสียดแทง แล้วก็อนัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะไม่มีเป็นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะเราสั่งไม่อยู่ในอำนาจอนิจจ์เนี่ยของเคยมีแล้วไม่มีทุกขังของที่กําลังมีกําลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีอนัตตาของจะมีหรือของจะไม่มีสั่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามใจสั่งเนี่ยทุก ลักษณะนะั้นก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่ที่ครูบาอาจารย์บอกไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะหรือพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละทุกตัวนี้คือทุกขสัจอะไรที่เรียกว่าทุกขสัจไม่ใช่ความทุกขนะ์ไม่ใช่ทุกขังไม่ใช่ทุกขลักษณะ ทุกขสัต์คือสิ่งที่เรียกว่าทุกขสัตว์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้คำอย่างนี้ว่าสังชิเตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้าคือตัวทุกข์หน้าที่ทุกต่อทุกคือรูนะ้งั้นถ้าเราอยากรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยต้องรู้ลงมาในขันทั้งห้าในกายในใจในรูปในนามนี้ ตัวรูปนามขันหานี่แหละคือตัวทุกเห็นไหมมันยังไม่เหมือนทุกขเวทนาที่เรารู้จักอย่างร่างกายเราเนี่ยมีทุกขเวทนาประเดี๋ยวมันก็ทุกประเดี๋ยวมันก็สุขแต่ตัวร่างกายรวมทั้งตัวจิตใจมันคือตัวทุกถ้ารู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกเนี่ยเรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจ เริ่มจะรู้ทุกขษัตย์เราจะข้ามวัตตะได้ช้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นทุกขษัตย์ลึกซึ้งนะไม่ใช่ความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์นิยามของคำว่าทุกข์เนี่ยคือตัวรูปนามขันห้านั่นเองแล้วตัวรูปตัวนามเนี่ย พระพุทธเจ้าเรียกอีกอย่างหนึ่ว่าโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกรูปกับ น, นามนี่เองเพราะนนโลกนี่ยเป็นตัวทุกนะข์การห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าวันใดที่เห็น เ, นเราจะข้ามบัตตได้เห็นความจริงแล้วกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆทุกข์อยู่โดยตัวของมันเอง ไม่ใช่ทุกเพราะถูกบีบคั้นนะไม่ใช่ทุกเพราะว่าไม่สบายแต่มันทุกโดยตัวของมันเองนั้นอย่างคำว่าทุกในศาสนาพุทธน่าลึกซึ้งมากนะลาพังเรารู้แค่ทุกเขเวทนาอย่างร่างกายเราบางวันก็ป่วยบางวันก็ดีอย่างเงี้ยจิตใจบางวันก็มีความสุขบางวันก็มีความทุกข์ เห็นอย่างนี้ยังข้ามวัตตะไม่ได้ยังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดเพราะตัณหายังมีอยู่ถ้ามันรู้ว่ากายนี้มีสุขบ้างทุกบ้างจิตนี้มีสุขบ้างทุกบ้างมันก็จะดิ้นรนนะแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์เนี่ยมันจะมีทางเลือกเพรน้นการดิ้นรนไม่ว่าจะดิ้นรนหาความสุข คือดิ้นรนหนีความทุกข์ภาระทางใจก็ยังมีอยู่แต่วันใดรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจรู้ว่ารูปนามกายใจนี่คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยมันจะหมดความอยากในโลกนี้ความอยากสารพัดอยากนะย่อลงมาก็คือ อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจคนทุกความอยากมีเท่านี้แหละทำไมไปดูหนังไปฟังเพลงไปกินของอร่อยไปคุยกับเพื่อนไปเล่นเฟซเล่นไลน์ก็คืออยากจะมีความสุขอยากจะไม่ทุกข์นั่นแหละใจมันอยากดิ้นไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบวันใดปัญญากแก่รอบเห็นความจริงของร่างกายนี่คือตัวทุกข์ เห็นความจริงของจิตใจว่านี่คือตัวทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกมันจะเกิดเพราะโง่ความาอยากน่ะเพราะความโง่เพราะอวิชชาเพราะไม่รู้ทุกข์ถ้าไม่โง่ความอยากจะไม่เกิดโง่อย่างไรยังอยากให้ร่างกายให้จิตใจมีความสุขโง่ไหม มันโง่นะเพราะว่ามันอยากให้ของที่เป็นทุกข์มันกลายเป็นตัวสุขมันเป็นไปไม่ได้อยากให้จิตใจมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์โง่ไหมก็โง่อีกเพราะว่าอะไรพราจิตใจคือตัวทุกข์งั้นถ้าแจ้งในทุกขสัตวนะ์รู้ทุกขสัตวนะ์สมุทยัยจะถูกล่าอัตโนมัติ งันจิตของอริยสัจเนั้นะท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธคือนิพพานทําให้แจ้งมรรคทาให้เจริญการที่เราเจริญมรรคคือมีศีลสมาธิปัญญาสะสมไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะตัวปัญญาศีล ส, ส่งทอดให้สมาธิเข้มแข็งสมาธิที่ถูกต้องส่งทอดให้ปัญญาเข้มแข็งปัญญาเข้มแข็งแล้วปัญญารู้ความจริงของทุกข์ เรยว่ารู้ทุกจเจริญมรรคน้ําก็รู้ทุกทันทีที่รู้ทุกขันห้ารูปนามกายใจคือตัวทุกข์ความอยากที่จะให้ขันห้ารูปนามกายใจไม่ทุกข์อยากให้มันมีสุขจะไม่เกิดขึ้นเพราะความอยากนี่ไร้เดียงสาเกิดจากโง่เกิดจากอวิชชางั้นมีปัญญานะเพื่อรู้แจ้งกองทุกข์ ก็จะละตัวสมุทัยอัตโนมัติตันหาจะไม่เกิดขึ้นยังพวกเรายังทําไม่ได้เราละตันหาได้เป็นคราวคนในโลกละตันหาได้ไหมได้หมายังละได้เลยอยากกินแล้วมันก็ไปกินอยากมีภรรยามันไปมีภรรยาน้อหายอยากละด้วยการเสดอย่า น, นี้ก็ทําได้ ละด้วยการปฏิเสธก็ทำไดนะ้อยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนทรมานมันไปเรื่อยจนกระทั่งใจนี่เหี่ยวแห้งนะหมดเรี่ยวหมดแรงจะตายไม่ตายแหละลนะอย่างอดข้าวมาตั้งนานตั้งสี่สิบห้าสิบวันละอดข้าวนะไม่ได้กินเลยนะเห็นสาวสวยมาแก้ผ้าให้ดูเฉยเลยนะมันจะตายอยู่แล้วไม่สนใจแล้ว นี่ก็วิธีสู้ตันหานแต่ไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้าตามใจกิเลสก็ไม่ได้วิธีของพระพุทธเจ้าฝ่าฝืนกิเลสก็ไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้าแต่เรียนรู้ทุกเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าวันใดที่จิตรู้ความจริงนะว่ากายนีย้ใจนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆความอยาก ที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากที่จะให้กายให้ใจไม่ถูกจะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อความอยากไม่มีนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานมีอยู่แล้วนะนิพพานมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นิพพานไม่ได้มีการเกิดขึ้นไม่ได้มีการดับไปเป็นสภาวะธรรม ที่เที่ยงเป็นสุขแต่ไม่มีเจ้าของเป็นอนัตตาไม่ได้มีไตรลักษณ์มีเอกลักษณ์มีลักษณะอันเดียวสามัญลักษณะที่นิพพานมีคือเป็นอนัตตานิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัญหาสังเกตดูเวลาใจของเรามีความอยากใจเราดิ้นรนไหมอยากฟังเทศใจดิ้นไหม ไม่อยากดีอย่างดิ้นเลยนะเพอความดิ้นรนของจิตเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นทันทีนะใจที่มันดิ้นนะมันทุกข์ตั้งแต่เริ่มดิ้นแล้วทันทีที่อยากความทุกข์ก็เกิดแล้วนี่ถ้าปัญญามันแก่กล้าทําลายวิชาไปนะเจริญมากๆๆ มีศีลสานาี่ปัญญาปัญญาเต็มที่ก็รู้ทุกข์แจ่มแจ้งทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ารูปนามกายใจคือตัวทุกข์สมุทยัทยก็ถูกละในขณะนั้นเลยเมื่อสิ้นตัณหาสิ้นความอยากนิพพานปรากฏขึ้นตรงนั้นเลยไม่ต้องส่งจิตเข้านิพพานนะบางคนคิดว่านิพพานเป็นโลกโลกหนึ่ง เวลาจะเข้านิพพานต้องส่งจิตไปเข้านิพพานนั่นไม่ใช่นิพพานนิพพานนั้นไม่มีการเข้าการออกอะไรไม่ใช่เมืองเมืองหนึ่งไม่ใช่บ้านบ้านหนึ่งมีประตูเข้าเข้าออกออกได้นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละเมื่อไหรสิ้นตัณหาไม่นั้นนิพพานก็ปรากฏถ้าสิ้นชั่วคราวก็เกิดนิพพานชั่วคราวขึ้นมา นิพานชั่วคราวไม่ใช่ตัวนิพานจริงเป็นนิโรธตัวหนึ่งนิโรธมีห้าตัวนะนิโรธเพราะความดับดับเพราะสมถะก็ได้อย่างเวลาจิตเรามีกิเลสนะราคะแรงเราก็พิจารณาปฏิกูลอสุภนะทำสิ่งที่ตรงข้ามก็ข่มราคะลงไปนะมีตะถังคาบิมุต ขมชั่วคราวเป็นนิโรธชั่วคราวพรวสมถะนิโรธพระวิปัสสนาก็มีนะนิโรธพระอริยมร์นิโรธพระอริยผลพวกนี้ยังเกิดดับหมดเลยตัวที่ห้าคือนิพพานใช่สมถะวิปัสสนามรผลสิ่งที่ได้มาคือตัวนิโรธแต่คนละระดับกัน นิรธที่สูงที่สุดคือตัวพรนนิพพานเป็นตัวที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ยากหรอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่ยากที่จะเข้าใจตรงนี้มีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะ ตัวหนึ่งนี่คือมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็มีสติสติรู้อะไรรู้กายรู้ใจอย่างที่กายกับใจมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นไตรลักษณ์เพราะงั้นมีสตินะรู้กายรู้ใจไปรู้ด้ยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์จะเกิดขึ้น พอเห็นใจรักแล้วจิตก็จะค่อยๆเบื่อหน่ายจางคลายความยึดถือในรูปนามในสุด้งหมดความอยากในรูปนามเลยไม่ยึดถือแล้วปล่อยวางไม่อยากอีกต่อไปลวตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกงั้นการละตัณหาเนี่ยถ้าละด้วยการรู้ทุกข์มันจะละครั้งเดียวจบ รู้ทุกเมื่อไหร่ละสมุไทยเมื่อนั้นแล้วจะไม่มีตันหาขึ้นมาอีกละงั่นพระอราหาันเนี่ยไม่ต้องรักษาจิตอีกต่อไปละยังไงก็ไม่มีตันหาเกิดขึ้นของเรายังมาไม่ถึงนะเดี๋ยวมันก็เกิดอีกสู้มันไปเดี๋ยวมันก็มาอีกอดทนเอาอะไรใดก็สู้อดทนไม่ได้อดทนเรียนรู้ไปนะมีสติรู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นกลางหมายถึงว่าเวลาที่มันไปรู้สภาวะแล้วเนี่ยมันยินดีให้รู้ทันมันยินร้ายให้รู้ทันแล้วมันจะเป็นกลางของมันเองแล้วต่อไปพอปัญญาแก่กล้าขึ้นจะเป็นกลางด้วยปัญญาเป็กลางด้วยปัญญาเช่นอย่างเราเคยดู สภาวะเกิดดับมาเรื่อยๆเห็นนะความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับต่อไปไม่ว่าสุขหรือทุกขนะ์จิตจะเป็นกลางอันนี้กลางด้วยปัญญาพอจิตเป็นกลางด้วยปัญญาจิตจะไม่ดิน้นรนปรุงแต่งต่อตัณหาไม่มีในขณะนั้นไม่มีกระทั่งเจตนาที่จะปฏิบัติไม่มีเจตนาเหลืออยู่ไม่มีโลภะเจตนาจิตเหลือแต่มนสิกาะ มันเจตนาของมันเองมันไปดูสภาวะธรรมตามที่มันเป็นจิตรวมเข้าปนาแล้วไปเดินปัญญาในชั้นละเอียดในฌานมันเป็นเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้าฌานไม่ได้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปถึงจุดหนึ่งฌานจะเกิดเองอย่างต่ำปฐมฌานต้องเกิด จิตมันไม่ดิ้นแล้วจิตมันไม่ได้ฌานแล้วเพราะมันหลงกามที่มันหลงกามเพราะมันดิ้นมันชอบสุขเกลียดทุกข์นั่นแหละมันหลงกามนี่พอมันเป็นกลางต่อสุขต่อทุกข์แล้วไม่ดิ้นจิตก็เข้าฌานอัตโนมัติไม่ยากหรอกเอานาไป ถึงจุดที่มันพอนะมรรคผลมันก็เกิดเองแหละไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้นะจิตบรรลุของจิตเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์นี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดนี่พระพุทธเจ้าบอกไม่มีใครทำจิตให้บรรลุได้ะจิตตัวเองก็ทำให้บรรลุไม่ได้ไปทาจิตคนอื่นให้บรรลุยิ่งเป็นไปมไม่ได้ใหญ่ เงิ่นพวกเราอย่ามาขอพร น, นะขอให้หนูบนรรลุเร็วๆฟังแล้วรู้เลยอีกนานเพราะยังโง่อยู่ไม่ได้ทำเหตุจะเอาผลอ่ไปกินข้าวไปกินข้าวก็ดูตัณหาไปด้วยนะเดี๋ยวมันก็อยากได้โน้นอยากได้นี่นี่มลเลยครับ